มาถึงวันนี้มันมาถึงไ อ, อตอนที่จะต้องเปิดความลับอันนี้มันเป็นความลับนะเนี่ยไม่ใช่ว่าพระอาจารย์องค์ไหนจะไปเทียวบอกใครง่ายๆหลวงพ่ออยู่กับพระอาจารย์มาจนกระทั่งถึงบ้านปลายโน่นกว่าจะได้เพราะฉะนั้น อ, อ, อาจารย์ต่างๆที่เขาสอนกันเนี่ย เขาจะไม่สอนข้อนี้เป็นอันขาดเพราะนั้นพอมีอาจารย์บางคณะบางพวกที่เขาคิดจะสอนอันนี้ขึ้นเขาจึงได้คิดราคาขึ้นเลยเใครจะมาเรียนอันนี้เจ็ดหมื่นสามพันแต่เติมสามพันด้วยนะไม่ใช่เจ็ดหมื่นเฉยเ แล้7เจ0ดหมืนก็ยังไม่ได้ว่าเจ็ดหมืนจะได้จริงจริงจริงจังเจ็ดหมื0นนี่ต้องลงไปก่อนและยังต้องมีอีกเจ็ด0มื่นสองเจ็ดหมืนสามกว่ามันจะมาถึงนี้แต่ว่าความรับอันนี้เราก็จะให้แก่ิษย์ทั้งหลายเรียกว่านักศึกษาทั้งหลายเพราะว่า สิ่งสำคัญเขาเรียกว่าเครื่องมือการจะทำงานอะไรต่างๆนั้นเครื่องมือมันมีความสำคัญอย่างจริงอย่างปืนมีอยู่กับตัวมีดมีอยู่กับตัวเขาเรียกว่าเครื่องมือหรือว่าเราจะไปทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยให้ การทำงานนั้ น, น, นสาเร็จตามเป้าหมายแต่ว่าเครื่องมือคือเครื่องมือนะให้เข้าใจอย่างนั้นมันไม่ใช่ตัวจริงหรือว่าไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงแต่นั่นคือเครื่องมื อ, อนั้นในเมื่อเราเองเนี่ยจำเป็นต้องไปต่อสู้ คำว่าไปต่อสู้คือไปเป็นอาจารย์สอนนม่นก็าจาเป็นต้องมีเครื่องมือแต่ทำไมจึงมาให้เครื่องมือในวันนี้ก็เพราะรู้แล้วว่าการมาเทอมสองนักศึกษาทุกคนผ่านมรสุมมาแล้วหรือว่าผ่านการทำสมาธิมาแล้วแล้วก็รู้เรื่องสมาธิมา มากแล้วถึงจะมาข้อนี้ได้การที่เราจะต้องมาเรียนข้อนี้นั้นมันเป็นดาบสองคมที่ภาษาของเราที่เรียกว่าดาบสองคมนั้นหมายความว่าฟันคนอื่นได้ในที่สุดดาบก็จะกลับฟันตัวเราได้เหมือนกันกือถึงเรียกว่าดาบสองคมเมื่อเป็นเช่นนั้น พระอาจารย์เขาจึงไม่ค่อยให้สิทธิ์ง่ายๆเพราะกลัวว่าจะกลับมาฟันตัวเองด้วยเหตุอย่างนี้จึงต้องมีการตักเตือนกันไว้ก่อนว่าการใช้ฤทธิ์นั้นจำเป็นที่จะต้องมีตัวสติแล้วก็ต้องรถึงข่าวจำเป็น เม่อขาจําเป็นเกิดขึ้นเราก็ใช้แล้วทีนี้สาคัญที่สุดคื อ, อเราจะต้องตักเตือนตัวเราด้วยผู้รู้ผู้รู้ที่ให้ไว้ตั้งแต่ต้นนั่นนั่นแหละคือตัวสติตัวสตินั่นเวล า, าที่เรานั่งสมาธิเราจะถามตัวเราเองว่าใครคือผู้รู้ อันนี้คือตัวสติเท่มีความสำคัญอย่างยิ่งบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะหลวงพ่อเขาพูดไปงั้นงันแลเราทำก็ได้ไม่ทำไม่ได้ีจริงแล้วนะ่ะไม่ทำไม่ได้เพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วนี่ตัวสติผู้นี้จะถึงเขาเพราจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรช่วย เพื่อสตินี้จะช่วยเราได้มากเราเริ่มเรื่องเลยก็กันว่ า, าข้อนี้เป็นการรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบกหามก็เพื่อที่ว่าเรารู้เอาไว้ถึงว่าใครจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้แต่ว่าก็รู้เอาไว้ ว่าวิธีการมันเป็นอย่างนี้ที่จะทำให้พลังจิตของเรานี้เกิดริเริ่ดขึ้นเพราะเป็นเรื่องควรศึกษาในทางที่เป็นไปได้แต่ไม่ใช่เป็นไปได้ทุกคนในข้อนี้นั้นเราจะต้องยอมรับว่าเป็นไปไม่ได้ทุกคนบางคนอาจจะทำแต่ันไม่สาเร็จ การผลทำก็สำเร็จอย่างที่ผู้ที่ไปเรียนกับพระอาจารย์มาด้วยกันในจำนวนยี่สิบองค์ก็หายไปแล้วสิบห้าเหลือห้าเท่านั้นเองที่ได้การจะมีฤทธิ์ได้นั้นจะต้องเกิดจากสมาธิเพราะเกิดขึ้นจากพลังจิตการธรรมดาจิต ท, ที่ได้รับการฝึกสมาธินั้น จะมีสิ่งพิเศษเกิดขึ้นเือ mm hmm. จิตของคนเราเนี่ยมันมีสิ่งพิเศษคำว่าพิเศษนั่นคือเหนือเรียกว่าเหนือจากธรรมดาเรียกว่าเหนือจากธรรมดานั่นเพราะมันเป็นฐานเป็นกำลังกำลังนั่นเป็นกำลังมหาศาลเราเคยคิดว่า ไอ้กำลังลูกระเบิดเนี่ยมันก็เป็นกำลังมหาศาลแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับพลังจิตเนี่ยพลังจิตเหนือกว่านี้ถ้าหากว่าลูกระเบิดเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยสามารถทำลายคนได้นับแสนลูกระเบิดปรมาณูแล้วทำไมฤทธิ์ถึงจะเหนือกว่า ก็เพราะว่าเมื่อมันหย่อนลงมาแล้วมันก็ระเบิดไม่ได้หมดฤทธิ์ถึงจะเป็นลูกระเบิดพระมยุนก็หมดฤทธิ์อันนั้นคือพลังที่เหนือกว่า <c oughs> การเกิดสิ่งพิเศษนี้เนื่องจากพลังจิตได้สะสมจนพอเพียงแห่งความต้องการก็ต้องหข้ใจว่าการสะสมพอเพียงแห่งความต้องการนั้นขนาดไหน การพอเพียงแห่งความต้องการนั่นมันจะมีทุกขนาดขนาดเล็กขนาดยอ่อมขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษอย่างนี้เหมือนกันกับเด็กอาหารมันพอเพียงเกิดความต้องการเฉพาะแล้วก็มาพอเพียงแห่งความต้องการของผู้ใหญ่ มันก็ความพอเพียงไงความต้องการนั้นมันก็อยู่คนละระดับกันดังนั้นจึงมีอิทธิพลเกิดขึ้นทําให้จิตมีพลังพิเศษเมื่อจิตมีพลังพิเศษก็กําหนดทิศทางของพลังพิเศษนี้ไปตามกระแสของความประสงค์อันนี้คือตําแหน่งที่จะทําให้เกิดฤทธ เมื่อกระแสเกิดขึ้นเราไม่ได้หลงกระแสเราไม่ได้เราไม่ได้หลงไปตาว่าไอ้กระแสเนี่ยมันเป็นของดีวิเศษเราก็เลยไปหลงกระแสเหมือนกระแสที่มันเกิดขึ้นเวลาทำจิตนี้เราก็ไปหลงว่ามันเป็นของดีเมื่อเราไปหลงอยู่ในกระแสนั้นเราก็ไม่สามารถทำริษได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องการ ที่ว่าให้ต้นแหลงเกิดแล้วว่าต้นตอของแสงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนั่นคือจุดกำเนิดของการมีริดเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่คนที่มีพลังจิตถึงขั้นเขาเรียกว่าพอเพียงแห่งความต้องการนั้นเขาก็จะจับทิศทางโดยที่ว่าไม่ไปหลงตามกระแสรหรือนิมิตที่เกิดขึ้น และตั้งฐานเนตั้งฐานขึ้นในที่นั้นจับกระแสให้ได้ <c oughs> <c oughs> เมื่อกำหนดทิศทางพลังพิเศษนี้เป็นไปตามกระแสของความประสงค์เช่นนี้ต้องสูญเสียพลังจิตไปแต่ละครั้งซึ่งถ้าพลังจิตเหลือใช้มากก็ไม่เป็นไรแต่พลังจิตมีเพียงเพื่อใช้งานก็เสียกำลัง แทนที่เพื่อจะทําประโยชน์เฉพาะกิจเอามาใช้เพื่อริดของไม่คุ้มกันดังนั้นพระอาจารย์จึงไม่นิยมที่จะสอนหรือไม่เปิดทางวิธีการในเรื่องนี้กลัวว่าถ้าทําในเรื่องริดนี้มากจะทําให้เกิดทุมสร้านเกิดความผิดพลาดได้พลังจิตที่จะเอามาใช้เฉพาะกิจก็ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้น จึงทำให้บุคคลผู้ที่ใช้ฤทธิ์เนี่ยเกิดความวิปลาสเพราะว่าสูญเสียพลังจิตพราะเกิดความวิปลาสทีนี้ก็เอาไม่อยู่ระหว่างที่ได้เพิ่มพลังจิตเป็นระยะทำงานและก็จะเป็นความจริงที่ว่าขณะสะสมกำลังนั้นจะมีวิถีหลายๆอย่างให้ปรากฏ คือว่าปรากฏการต่างๆไอ้ปรากฏการต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับจิตของเราเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าไอ้ฤทธิ์ของเราหรือว่าการที่เราจะทำได้เนี่ยมันจะทำไปทางนี้มันจะสอแววไว้ก่อนเราก็เหมือน ก, นกันกับเด็กที่เขาสอแววเศรษศาสตร์เด mm ็กเขาสอแวววิทยาศาสตร์ เด็กเขาสอแววไปทางหมออะไรอย่างนี้แต่การสอแววนั้นอ่ะเป็นแต่เพียงสอแววคือเป็นเพียงแต่ว่าปรากฏการอันนั้นยังเป็นความจริงไม่ได้แต่ว่าสอบว่าจะไปทางนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตเกิดขึ้นเนี่ยมันจะคิดเมันจะคิดจะว่าอันนี้มันจะต้องไปเป็นหมอรักษาคน อันนี้มันจะต้องคิดไปว่าเราจะต้องรู้จักจิตใจคนอื่นอันนี้จะต้องรู้ว่าอันเนี้ยเราสามารถที่จะทําให้การงานอะไรต่างๆให้บรรลุสําเร็จมันจะมีของมันในระยะจิตอันนั้นคือการส่อแววทีนี้การสอแววนั้นเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นไปได้หรือไม่ อยูที่บุคคลพวกนั้นจะสร้างพลังจิตเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอันนั้นก็ต่อไปเลยว่าเช่นเดียวกันกันกบจิตที่มีพลังสมาธิเมื่อถึงประสงค์จะทำให้เกิดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์มีมากมายหลายอย่างเมื่อจบขั้นตอนที่จะรวมพลังจิตเป็นขั้นตอนแห่งมาตรฐานเบื้องต้นแล้ว หมายถึงความเข้าสู่ปรจระสมาธิในขั้นนี้ก็คงเปรียบด้วยหมหหรือมาตรฐานการศึกษาขั้นตนที่จะเข้าสู่ปริญญาระเหมือ น, นกันกับจิตที่ได้สวแววว่าเราจะนำวิถีจิตนี้ไปรัรกษาโรคใครสคักคนนั่นคือการสวแววขึ้นมา ทีนี้การสแววขึ้นมานะั้นก็จำเป็นที่จะต้องติดต่อเขาเรียกว่าทำต่อเนื่องซึ่งบางคนก็สำเร็จบางคนก็ไม่สำเร็จทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราจะทำอย่างไรในการที่เราจะวางระดับจิตของเราให้ไปสู่ในทางที่ให้เกิดริษได้ขนทางก็คือ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่อธิบายไปรู้เองอ้าก็ว่าก็ว่าโจกว่าเล่นกโยมไปงั้นเอ๊ว่าเล่นกคนักศึกษาไปอย่างนั้นแหละกระจายที่บายให้ฟังเลยว่าทำบริกรรมคือการขึ้นตน้นเราจะทำริทแต่ละครั้งเนี่ย เราจะทิ้งคำบริกรรมไม่ได้ถึงแม้ว่าใครจะมีความสามารถจนกระทั่งถึงอรูปฌานหรือจะทำจิตลึกซึ่งแค่ไหนก็ตามถ้าไม่ขึ้นต้นทำไม่ได้แต่ว่าการขึ้นต้นบริกรรมนันมันแพบเดียวเป็น ห, หมายความว่าไม่ใช่ว่าจะไปบริกรรมตั้งครึ่งชั่วโมงอย่างที่เราทำอย่างนี้นแคบเดียวอาจจะวินาทีหรือนาทีอะไรอย่างงี้ เพราะว่าไอ้คมบริกรรมนะั้นมันชํานาญมากแล้วทีนี้พอเรากําหนดจิตเขาหมายความว่าบริกรรมพับกําหนดจิตนี่จิตมันจะสงบเลยอ น, นั้นหมายความว่าพื้นฐานของเรามีอยู่แล้วคือเรารู้ช่องทางแล้วนี่ว่าไอ้จิตสงบมันเป็นอย่างเนี้ยพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราบริกรรมพับจิตสงบเลย ท, ทันทีทันทีนั่นอะทันทีที่บริกรรมน่ะจิตมันจะเข้า คือการเข้าเนี่ยอย่างที่หลวงพ่ออธิษฐานทีอธิบายเนี่ยอธิบายก็ดูรู้สึกว่ามันจะเป็นขั้นตอนแต่แท้ที่จริงเวลาทําจริงๆแล้วเนี่ยมันจะวัดเดียวเท่านั้นมันจะเข้าไปเลยจนกระทั่งถึงรักษาความสงบอันันไว้ถ้ารักษาความสงบอันนั้นไว้วมนน ไ, วไม่ได้เราจะทำวิทย์ไม่ได้เป็นต้นว่า พาเราทำจิตลงไปแล้วคิดใหญ่คิดนู่นคิดนี่วุ่นวายไปอันนั้นมันไม่ได้รักษารักษาไม่ได้ต้องรักษาตัวความสงบอันนี้ไว้เช่นอย่างว่าเมื่อจิตสงบพักเนี่ยกำหนดรักษาในตัวคือความในตัวอยู่ในตัวนั่นเองอยู่ในจิตในขณะจิตเ้าเรียกว่านาทีละวินาทีที่มันจะเข้าไปอยู่เนี่ยทีนี้ไม่ใช่ว่า เข้าพวังแบบหายไปเลยอย่างนั้นทำะทพิ์ไม่ได้เข้าพวังไปกับแล้วกันจะเลิกกันต้องตั้งต้นใหม่หมายความว่าหลับจับสงบไปอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้คำใช้ข้อที่สีว่ารู้ต้องรู้ตัวเนี้ยตัวรู้ตัวเนี้ยก็คือตัวรู้ที่ หลวงพ่อบอกว่าใครคือผู้รู้เขาะจะออกมาอออกมาเป็นผู้เทออกมาให้เราใช้ก็หมายความว่าออกมาให้ใช้พอรู้อยู่อนเนพับเนี่ยสัมผัสกับอาทิสมัญกายก็หมายความว่าไอเราที่เข้าอ่ะเอสมาธิเวลาที่ทําสมาธิพับจิตรวมสมาธิพับจิตรวมสบาย ระวังไปอย่างนั้นคือเราสัมผัสอาทิตย์สมานกายจนเกิดความชํานาญอันนี้ที่เราจะทำํำมิตถ้าหากว่าไม่ํานานก็ทําไม่ได้อีกเลยมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างที่เราเข้ามาพะวังสักร้อยครั้งอย่างเนี้ยคิดว่าน่าจะใช้ได้ทีนี้ข้อที่หกเป็นมิตรกับอาทิตย์สมานกายและทีนี้ยก็หมายความว่า เชื่อมโยงเป็นมิตรเนี่ยหมายถึงความเชื่อมโยงเราจะเชื่อมโยงได้แต่ที่พูดมาเนี่ยมันตั้งหลายนาทีนะเนี่ยพูดไปอย่างเงี้ยแต่แท้จริงเวลาทำเนี่ยเป็นวินาทีนะมันจะเชื่อมโยงก้าไปเนี่ยวินาทีของการนึกเท่านั้นเองจิตของเราจะเข้าไปสู่อาทิสมพันกายอาทิสมพนกายก็หมายความว่าดับความรู้สึกแต่ว่ามีความรู้ ถ้าดับความรู้สึกโดยไม่มีความรู้เนี่ยเราทำมิตไม่ได้มีความรู้อีนี้เมื่อความเชื่อมโยงเกิดขึ้นมันก็เกิดการร่วมมืออย่างเราเป็นมิตรกับใครสักคนหนึ่งอย่างเนี้ยก็คือเราไปเชื่อมโยงกับบุคคลคนหนึ่งเ อ, อถือว่าเป็นมิตรกันพอเป็นมิตรกันมันก็ร่วมมือกันได้ ้าให้เป็นมิตรกันเนี่ยจะไปร่วมมือกันได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นยังเกิดเชื่อมโยงเอ้ยอันนี้มันเร็วเกินไปแล้วอ่าคืออย่างนี้ว่าเมื่อเกิดความร่วมมือเราลองคิดดูว่าเวลาเกิดความร่วมมือพักเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นมิตรกันแล้วมันก็ต้องเกิดความร่วมมือคือเชื่อมโยงพอเชื่อมโยงก็เกิดความร่วมมือ พอเกิดความร่วมมือกับใช้เพื่อนเราได้นี่เพื่อนวานไปช่วยทำให้นั่นให้หน่อยได้ไหมไม่ขัดข้องไม่กัดขอ้ดของด้วยการทางพวงอทนนี้วันนี้มันจอะมันจะต้องพูดกันมากครับแล้วทีนี้พอมาถึงข้อที่เก้าในขณะที่เราใช้คื อ, อ, อใช้ อาทิตย์สมังกายเนี่ยเมื่อเราใช้เขาก็จะไปทำงานให้เช่นเวลานี้คนหนึ่งกำลังเป็นมะเร็งอยู่อย่างเงี้ยอยู่ที่นั่นอาทิตยสมังกายนี่จะเข้าไปดำเนินการจะผ่าตัดก็ได้หรือว่าจะเข้าไปเจาะไปใช้หรือจะเข้าไปำทำลายอะไรต่างๆเนี่ยสุดแล้วแต่ว่า เ, เราจะใช้ให้ไปทำอะไร แต่การไปทำนั้นไม่ใช่ว่าจะไปนั่งเพียงอยู่ตั้งเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่แค่จะไปเพียงชั่วระยะเพียงวินาทีว่ากันนาทีหนึ่งก็มากแค่นั้นเรียกว่าพอใช้ไม่ต้องทำมากอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ข้อที่เก้านี้คือการรักษา รักษานี่คือเวลาที่ดำเนินการใช้เนี่ยจิตของเราต้องแน่คือเรานั่งอยู่ที่เนี่ยจิตเราต้องแน่นั่นเป็นหน้าที่ของอธิสมันกายที่เขาจะไปดำเนินการอย่างเนี่ย <c oughs> ทีนี้มาถึงว่าการสร้างฐานนี้เป็นเรื่องเป็นราวตางความเป็นไปแบบความต้องการสิ่งที่จะทำให้เกิดขึ้นในวาระต่าง เมื่อฐานนี้มีความพร้อมจะบังเกิดผลฐานนี้เป็นพลังการสร้างวาระจิตที่ทำให้ความเป็นอยู่ปราศจากอารมภายนอกเรียกง่ายๆว่าสมถะราะสมถะได้รวมตัวกันมากต่อมากจึงมารวมเป็นฐานการทำสมถะเพียงพอจึงชื่อว่าการสร้างฐานที่มั่นคงอันนี้เราพูดกันเกี่ยวกับฤทธ วันนี้เราไม่ได้อธิบายเรื่องอื่นอธิบายเรื่องริดเพราะฉะนั้ น, นการที่เราอยากเพ่งอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่คือตัวจิตที่เราอยู่กับเราในขณะที่เราเพ่งเนี่ยอันนี้ต้องมั่นคงไม่ใช่ว่าเพ่งไปเลยไปหมดเลยความฟุ้งซ่านหายไปอันนี้ไม่ไม่ได้ผลผลต้องอยู่ที่ฐานว่าฐานนี่มีความมั่นคงสามารถที่จะให้จิตเนี่ย เดินไปสู่ที่เราต้องการได้อถ้าจะเปรียบเหมือนการสร้างฐานยิงจรวดก็คงจะพอได้เพราะการสร้างฐานยิงจรวดนั้นเมื่อเขาสร้างขึ้นมาการตั้งจรวดที่สร้างขึ้นจะต้องปล่อยจรวดไปนั้นจนจรวดหมดอายุทํางานหมดสภาพไปแต่ละครั้งเพราะในตัวจรวดจะมีพลังงานอยู่ในตัวและจรวดจะไปหาพลังงานภายนอกโลกยังไม่ได้ ต้องนำพลังงานโลกนี้ไปใช้ก่อนเมื่อหมดก็ต้องหมดส่วนฐานนั้นตั้งอยู่ที่เดิมถ้าจะปล่อยจรวญใหม่ก็ต้องมาสร้างกันใหม่การทำริ์หรือแสดงริ์นั้นมีการดำเนินการจากฐานส่วนจะให้เป็นไปตามอำนาจของริ์คือจรวญได้แก่ปรากฏการต่างๆที่ถูกบันดาลให้เกิดขึ้นแต่ละคราว และเมื่อมีการแสดงปรากฏการพลังที่สะสมไว้ใช้จะหมดไปแต่ละครั้งถ้าจะแสดงฤทธิ์ ก, ก็ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่แต่ละครั้งเพราะฉะนั้นการทำแต่ละครั้งนั้นยังต้องตั้งต้นตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าแล้วก็จะดําดเนินการไปได้ตามความประสงค์ดังนั้นสมาธิกับการแสดงฤทธ จึงต้องอาศัยกันอยู่ตลอดสมาธิเนี่ยคือเอมันเป็นพลังจุดพลังอยู่แล้วมันต้องอาศัยกันอยู่ความยั่งยืนจะอยู่เหมือนเช่นเดิมตลอดไปไม่ได้เพราะพลังสมาธิจะต้องถูกใช้ไปและสิ้นเปลืองไป <c oughs> ในการแสดงให้ปรากฏต่งตางๆนั้นมากพอใช้ด้วยเหตุดังกล่าวทางพุทธศาสนาจึงใช้พลังนี้ดําเนินวิปัสนา เพื่อประโยชน์ที่เป็นอุดมการสูงสุดได้แก่กาจัดกิเลสไปเลยเราฉนั้นพลังอันนี้พระอาจารย์ต่างๆท่านไม่ต้องการให้รู้สิทธิ์ของท่านต้องเวียนว่ายตายเกิดต้องการให้รูปสิทธิ์ของท่านพ้นจากทุกข์พ้นกิเลสท่านท่านไม่ให้แสดงฤทธิ์ให้เอามาดำเนินวิปัสสนาเสียอย่างไรก็ตามการเป็นโลกแห่งครอบครัวสังคม ต้องมีอยู่ในโลกนี้ตลอดไปจึงจําเป็นจะต้องใช้สมาธิช่วยให้สังคมโลกอยู่อย่างมีความสุขซึ่งสมาธิสามารถช่วยได้การศึกษาสมาธิสมถะอันเป็นพื้นฐานนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างใหญ่อย่างสูงทีเดียวแปลว่าจําเป็นต้องแบ่งความสูงความต่ําเอาไว้ผู้จะเข้าหาสมาธิวิปัจนา จะมีอยู่จำนวนหนึ่งจำนวนนี้ก็ไม่น่าจะมีมากนะักส่วนที่มีความต่ำคือสมถธะคณะนี้จะมีจำนวนมากและเป็นผู้คุ้มครองทั้งหมดเมื่อแบ่งออกเช่นนี้ก็ทำให้เข้าใจในการปฏิบัติสมาธิมากขึ้นทีนี้เรามีชิดนที่จะพูดให้ฟัง ซึ่งก็เป็นความสำคัญอยู่มากพลังจิตเป็นความอัศจรรย์เพราะสามารถทำงานให้ได้เหนือวิสัยธรรมดาจึงเรียกว่าธรรมฤทธิ์เพราะพลังจิตนั้นยิ่งมากก็ยิ่งมีประโยชน์มากฤทธิ์นั้นเช่นการงานที่กำลังดำเนินงานเกิดการติดขัดขึ้นอาศัยฤทธิ์ของพลังจิตได้เช่น การทำการค้าเมื่อเกิดการติขัดเช่นหาออเดอร์ไม่ได้ฤทธิ์สามารถช่วยได้โดยใช้พลังจิตกวานหาจะเห็นชัดเจนขึ้นว่าออเดอร์นั้นอยู่ที่ไหนเมื่องจากผู้ต้องการของที่ตนต้องการนั้นบุคคลเหล่านั้นเขาเอาใจนึกคิดความนึกคิดของเขาเหล่านั้นอยู่ที่ความตัดสินใจ เอเวลาที่คนจะต้องการอะไรเนี่ยไอ้จิตใจนี่มันต้องคิดก่อนมาคิดแล้วเนี่ยยังจะตัดสินใจต่อไปในขณะที่กําลังคิดนั่นน่ะในพลังจิตของผู้ที่เหนือกว่านั่นสามารถที่จะควานไอ้การตัดสินใจอันนี้เกิดขึ้นมาได้การตัดสินใจในสินค้าหลายๆอย่างนั้นต้องใช้เวลาเวลาถือว่าระยะอาจจะเป็นชั่วโมง อาจจะเป็นวันอาจจะเป็นเดือนในการที่กําลังจะเกิดขึ้นของการตัดสินใจนั้นย่อมเป็นวาระจิตหากมีพลังหนึ่งพลังใดสนับสนุนเขาก็จะตัดสินใจของเขาตามทางแห่งพลังนั้นๆเมื่อบุคคลมีฤทธิ์ทางใจเขาก็ใช้พลังนั้นคว้านด้วยความมีกระแสอันเกี่ยวเนื่องด้วยอาทิสมันกาย ที่เกิดความตัดสินใจในสินค้าหรือสิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นช่วยให้การดําเนินงานกําลังติดขัดคือการจําหน่ายสินค้าไม่ออกกลับเป็นผู้จําหน่ายได้โดยช่วยแห่งพลังจิตนั่นเองทําให้บังเกิดผลขึ้นมาอย่างน่าประหลาดพอสควรในทีน่นี้ไม่ได้ทําความเดือดร้อนให้แก่ใครพระเป็นไปตามความประสงค์ของพวกเขาเหล่านั้นเพียงแต่ว่า ช่วยให้มาติดต่อของเราให้ผ่านพ้นไปแม้ราคาค่าต่างๆก็ยังเป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้พูดเฉพาะเรานะห้ามหาบไปเผยแพร่ <c oughs> แล้วก็อีกประการนังนหรือการใช้พลังจิตกำหนดการข้างหน้าคือการจะดำเนินธุรกิจว่าการทำธุรกิจนี้ผลจะออกมารูปไหน พลังจิตนั้นจะมีสายตาไกลเมื่อสงบแล้วจะมีแววรู้อะไรต่างๆได้ถ้าบุคคลคาดการขา้างหน้าด้วยปัญญาที่มีอยู่ในเมื่อเขามีความสงบใจเขาจะคาดการได้อย่างทะลุบุกงงมากกว่าบุคคลผู้ที่ฟุง้งซ่านคนที่คิดฟุง้งซ่านคาดการผิดพลาดดังนั้นถ้า ผู้ที่มีแววปัญญานั้นได้มาฝึกสมาธิเขาจะใช้พลังจิตโดยอาศัยพลังเข้าช่วยการคาดการข้างหน้ายิ่งจะทำให้ไม่มีการผิดพลาดเนื่องจากพลังจิตนี้มีอานุภาพสนับสนุนให้บังเกิดความเข้าใจลึกซึ่งยิ่งขึ้นจึงสมควรแล้วที่จะกล่าวว่าเป็นลิ์ประการนั่นอันนี้คงเข้าใจนะว่า การที่เราจะคาดการอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญถ้าคาดการถูกแพ็คเดียวเท่านั้นแหละก็สบายไปนาน <c oughs> และทีนี้ต่อมาก็มาเป็นวิธีการรักษาโรคความจริงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเขาก็มีหมอรักษาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าหมอที่มีพลังจิต ด, ด้วยอีกด้านหนึ่ง ก็จะทำให้บังเกิดผลเพิ่มเป็นทวีคูณเพราะอะไรเพราะว่ามีโครคภัยไข้เจ็บอีกหลายประการที่หมอเองก็แทบจนปัญญาจึงเมื่ออาศัยพลังจิตเข้าช่วยแก้ไขได้นอกเหนือจากนั้นก็ทำความอัศจรรย์ให้เห็น เ, เช่นหมอรักษาโรคนี้ไม่หายแต่เมื่อใช้พลังจิตก็หายได้ดังนั้นจึงเรียกว่าการรักษาเช่นนี้ว่าฤทธ เพราะว่าทำให้เหนือกว่าคนธรรมดาจะทำได้อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยพลังจิตนี้จึงได้กระจายแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับว่าสาเร็จได้จริงด้วยเหตุนั้นกลา่าวจึงทำให้บุคคลทั่วไปแสวงหาผู้ที่มีพลังจิตช่วยเพราะผู้ป่วยนั้นคือบุคคลที่เขาเคารพนับถือ เพื่อให้หายจากโรคภัยแม้จะต้องมีการเสี่ยงหรือเสียงเงินทองมากเท่าใดก็ต้องทำสุดท้าย <c oughs> หรืออย่างการที่จะประกอบกิจการเกี่ยวกับผู้ร่วมงานมากมายกายกองทั้งผู้ร่วมงานสาคัญและไม่สาคัญหากมีการที่จะให้ผู้ร่วมงานเห็นด้วยว่าอย่างนี้คือเราต้องการ พระเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่หรือเป็นประโยชน์ส่วนรวมนานัประการอย่างนี้ถือว่ากิจกรรมร่วมกันจำเป็นต้องโน้มน้าวจิตใจให้เข้ามาหาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวในกรณีเช่นนี้ใจของทุกคนมีอิสระจึงต้องตามใจไปแต่ละบุคคลที่จะให้ตามใจไปแต่ละบุคคลนั้นมันก็ยากหนักหนาจะเอามารวมกันได้ ใจของผู้มีพลังอันที่เรียกวิริษมีกระแสที่จะเป็นกรณีพิเศษสามารถที่จะให้เกิดการรวมตัวได้อย่างประหลาดมหาศาล น, นั่นก็คือริษนั่นเองเพราะฉะนั้นนคนที่เขาจะมารวมตัวกันได้เป็นจำนวนมากนี้ไม่ง่ายแต่ว่าริษสามารถที่จะทาได้อันนี้เปิดเผยขึ้นมาให้ เฉพาะเล็กๆน้อยๆไม่มากนะเพราะว่าเกาจะไปอธิบายกันตอนสมาธิชั้นสูงนั้นเยอะแยอันนั้นเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้เราก็ทำเอาเฉพาะว่าเนี่ยมันทำได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าพูดไปแบบพูดไปเล่นๆจริงแล้วมันทำได้ทั้งนั้น เขาถึงได้เรียกวริศ <c oughs> ทีนี้ก็ต้องมาถึงหลวงปู่มั่นอีกแล้วเวลาก็ไม่ค่อยจะให้เลยนะไม่เป็นไรเรากันเองเอมากบ้างน้อยบ้างหยุดน้อยบ้างอันนั้นก็คงไม่เป็นไรเมื่อมาถึงหลวงปู่มั่นขณะที่ หลวงพ่อไปอยู่กับท่านก็มีอยู่วันหนึ่งท่านก็เอาหลวงพ่อเนี่ยบอกยกย่องไม่ใช่ยกยองอะไรหรอกบอกว่านี่มันมีพวกบ้านเนี่ยมันอยู่ใกล้หลวงพ่อก็จาชื่อบ้านั้นไม่ได้มันอยู่ไม่ไกลจากบ้านโคกน้มนต์เท่าไหร่แล้ก็บอกว่านี่ผีมากิน ลูกเขาตายหมดไปหลายร้อยคนแล้วไม่รู้ว่าจะเอใครไปช่วยเขาก็เลยยกพวกมาขอร้องหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็ในขณะนั้นก็ประชุมหลวงปู่ปัตตหลวงปู่อ่อนหลวงปู่เจ๊หลวงปู่แหวนหลวงปู่เ้าร้วงหลวงปู่เยอะแยะหมดเลยทันทั้งหลายเหล่านั้นอายุก็มากกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อ ตอนนั้นอายุก็ยี่สิบสองไปอยู่กับท่านกำลังหนุ่มพอดีก <c oughs> ำลังหนุ่มแน่ทีนี้ท่านก็บอกว่านี่เอายาคูไทยเนี่ยไปบอกว่าเป็นคนไทยเราหน่าจะเป็นค น, น, น, น, เ, น, คนเราอิสานบอกว่าจะเอาเอายาคูไทยเนี่ยไปให้เราก็ตกต๊อกกระใจเพราะว่าเป็นทศออต้องปฏิบัติท่านแล้วท่านก็ มาให้เราออกไปสองสามวันบอกวหลวงพ่อก็ถามท่านว่าไปสองสามวันใครจะดูแลหลวงปู่เอ้ดูแลเองก็ได้ไปพระอาจารย์ทั้งหลายก็งงลงผลี่สุดเขาก็มาเอาหลวงพ่อไปพอไปถึงก็ไปอยู่ใต้ต้นไม้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ทีนี้เขาก็รู้ว่าหลวงปู่มั่นส่งมานี่ต้องเก่งแน่แล้ว <c oughs> เราเนี่ก็แหมตอนเป็นเนนก็ไล่ผีมาเยอะเหมือนกันนะแต่ทีนี้มาไล่ผีต่อหน้าพระอาจารย์เนี่ยถ้าไม่สำเร็จจะทำยังไงอีกเนี่ยพอไปถึงพวกนั้นก็พากันมาเยอะเลยทั้งหมดเลยหลวงพ่อบอกว่าใครไม่มา เดี๋ยวผีไปกินไม่รู้ด้วยนะพูดเท่านี้ไม่ได้พูดมากมันก็มากันเกลี้ยงบ้านเลยอ่ามาถึงมาร้อมหลวงพ่อยกใจของเงพ่อก็ขึ้นเทศเทศเสร็จแล้วก็พาสวดมนต์พาสวดมนต์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าคืนวันนี้จะไล่ผีออกหมดถ้าหากว่าผีไม่ออก อาจจะมาก็คงตายเพราะผีมันกินเอาเพรอย่ากูไทยอย่ยาตายเลยเว่างั้นเสียดายยังหนุ่มยั ง, ย ง, ย ง, ย ง, ยงสวย <c oughs> เอาละคืนนี้นะทุกคนนะให้ว่าพุโทโธเท่าอายุหมดเลยอายุห้าก็ไปบอกให้มันถ้ามันนึกไม่ได้ไปช่วยมันบอก <c oughs> ถ้าอายุยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบนึกพุโทโธหมดทั้งบ้าน <c oughs> แล้วนอนกันเื่นเช้าขึ้นมามาแต่เช้าเลยที่ยังไม่ทันสว่างเลยเอนเลือกว่าแย่แล้วอย่าเงี้ยนะอือข้าวมากระติบพลานานโอ้โหมันม า, มากไม้ไก่กองบอกว่าเป็นยังไงบอกว่าจะคู่จะคู่จะคูไทยอย่งเ น, น, นะีไปหมดแล้วอย่างเงนะเอ๊ทานข้าทีนี่ <c oughs> มันเป็นยังไงล่ะถี่ทิงไปหมดแล้วเมื่อคืนนี่มันออกไปทางนี้พวอนั้นนะทำไมแกรู้ฝันเพราะอะไรถึงฝันถ้าเรามันมีที่สมันกายนี่ออาเราก็ไปเที่ยวจัดการว่าเฮ้ยแกจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะแบบนั้น พอเราบอกว่าผีมันออกไปหมดแล้วนี ok, má, lá, ak, ่มันเป็นคอยู as, ่ในใจเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาผีมันเดินออกไปมันเป็นยังไงบอกว่ามันเอาหลังเดินไปมันไม่เดินข้างหน้าหรอกมันหันหน้ามาใส่เราแล้วมันถอยหลังแล้วมันไปเท่าไหร่โอ้นับไม่ท่วนออกไปนี่เยอะเลยแล้วเห็นกี่คนผมก็เห็นคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นอ่าแล้วเป็นยังไงมา ลูกคนนั้นจวนจะตายหายหายหมดอดทั้งบ้านเลยบอกเอาอย่างเงี้ทุกคนเอาน้ำมาหพ่อทาน้ำมนต์ยอยาเทียนเข้าไปน้ำมนต์มุทานังมน ม, นมุติยาอยากปปปกินหมดทุกคนนะอ ย, นนยอย่ี้หายอยู่กับเขาสามวันมีใครตายมาั้งไม่ตายแล้วแล้วเป็นยังไงหายหมดเพราะว่าผีมันไปแล้ว เออถ้าอย่างั้นก็ลากลับละวะฮีก็ดีใจกันใหญ่เขาก็ทำแค่มาถึงเนี่ยทำแค่อย่างดีเลยงั้นหามมว่งั้นถ้าจะหามหลวงพ่อไปเฮ้ยหามไม่ได้เดี๋ยวหลวงปู่เล่นงานอโอ้เอยเล่นงานไม่ได้พวกผมรับรองเพะ่าเสร็จแล้วมันก็ล้องกันใหญ่คข้าถึงก็จับสียทีนี้ เราก็ดินไม่ได้มันก็จับขึ้นคานหมดเลยนันช่วยกันจับลงไม่ได้นะต้องอยู่ข้างบนหามเดินทามันเป็นแ้วก็ไปหารลวงปู่หู่ก็พอไปถึงโอ้วิิยังมันเฮ็ดหยางไม่พวกมันทำอะไรแค่ว่าแค่นถ้าไม่รู้มันถามผมกับูก ถ้า แ, แม่หาไม่ได้แล้วมันไม่ได้มันจับเลยแม่หนีไปไหนก็ไม่ได้จับหมดถ้าอนุ ญ, ญาตให้แม่ร่วหัวใจนี่ก็กลับสำเร็จแล้วบ่หายไปภาษาลาเขาบอกเร็จแล้วบ่ไหนสำเร็จแล้วใช่ไหมบอกว่าสำเร็จแล้วอใช้ได้อย่างเนี้สมควรแล้วอะไรเงี้ยแล้วถ้าจะเรียบพระ ม, ะมังโม มาสับพีติโยให้เรียบร้อยบอกว่าอันนี้คือทำงานสำเร็จเพราะว่าผีมันก็ออกไปหมดแล้วพวกเขาก็อยู่สุขสบายถือว่าสำเร็จผลคราวนี้ได้รับการยกย่องเป็นพิเศษก็เอาไว้เท่านี้ <c oughs> มาสการพระอาจารย์ตั้งแต่นั่งปฏิบัติสมาธิมาศิษย์จะมีอาการเกิดขึ้นสองอย่าง จะหลับกันไปบางวันคืออาการแรกเมื่อละคำบริกรรมแล้วจิตจะรู้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจจะแผ่วเบาไปเรื่อยๆจนไม่รู้สึกลมหายใจและไม่รู้สึกตัวเหมือนคนนอนหลับไปสักครู่หนึ่งจะมีอาการเหมือนสบพังกอย่างแรงแล้วก็สะดุ้งจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเป็นอาการง่วงนอนหรือเข้าผวังส่วนอาการที่สอง เมื่อละคำบริกรรมแล้วจิตจะนิ่งมากและรู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาลมหายใจนี่จะแผ่วเบามากแล้วกออ็จนกระทั่งเลิกสมาธิโดยสิย์ไม่เคยมีความรู้สึกเกิดปิติหรือมีความสุขหรือเห็นนิมิตใดใเลยมีเพียงจิตนิ่งสงบและรู้อยู่ลมหายใจเท่านั้นจึงกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการนั่งสมาธิของจิ์ มีความก้าวหน้าหรือไม่อย่างไรนะการที่เกิดการแอบเบาขึ้นคือหมายความว่าจิตได้ละอุปทานไปเยอะอารมณ์ต่างๆภายนอกหมดไปเยอะมิฉะนั้นจะเบาออลงไปอย่างนั้นไม่ได้ไเป็นเช่นนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นสมาธิได้สมาธิและเมื่อมีความ รู้สึกเหมือนกันกันกบมันหลับไป น, นั้นหมายความถึงการเข้าทวังเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ได้เข้าไปอยู่ในชังแล้วและการเป็นเช่นนี้ถือว่าได้ทําให้เกิดการสะสมพลังจิตขึ้นแล้วถือว่าเป็นความก้าวหน้าของสมาธิแต่ว่าสิ่งต่างๆ ท, ที่เกิดขึ้นเช่นความ เป็นหนึ่งหรือว่าความเป็นสมาธินั้นหรือว่าเป็นผลผลของสมาธิทาให้เกิดเป็นฌานและพลังจิตก็ได้รับเ็มัตราอยู่แล้วก็ต้องทาไปอย่างนั้นแล้วก็ตั้งผู้รู้อยู่ตลอดไปจิตก็คงจะก้าวหน้าต่อไปได้อีก ขอขอบคุณพร ะ, <น>ะอาจารย์ขอปก็ขอเชิญคุณอรุณีฉายยาพันกลาบในมาสการพระอาจารย์ค่ะลูกศิษย์มีข้อสงสัยขณะที่น้าภิกษุหรือคาราวาดกตกามกำลังปฏิบัติสมาธิอยู่เราไม่ทราบ เราไปส่งเสียงดังรบกวนเขาจะเป็นบาปไหมจ๊ะค่ะถ้ามีเจตนาก็เป็นบาปถ้าไม่มีเจตนาก็คงไม่เป็นไรแต่ส่งเสียงรบกวนนี่คงจะไม่ค่อยดีนะเวลาคนอื่นเัวนั่งสมาธิอยู่ก็ถือว่าเขากําลังทําบุญถ้าเราไปส่งเสียงหรือทําอะไรรบกวนก็ เรียกว่าไปขัดขวางบุญคนอื่นเขาอย่างนี้ก็จะถือว่าไม่ดีนักแต่ว่าเป็นบาปก็ได้ดีแต่ถ้าเจตนาก็คงเป็นบาปอีกข้อนึ่งค่ะอาจารย์เอ่อตอนเล็กๆ เ, เคยได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่กล่าวว่าถ้าเธอได้ใส่บาตรให้พระพิสูดที่เพิ่งออกจากฌานหรือออกจากสมาธิเนี่ย จะได้บุญมหาศาลมากกว่าใส่บาทให้พระวิสุธธรรมดาหลายร้อยเท่าอยากจะทราบว่าหลายร้อยเท่าเป็นความจริงประการใดค่ะเ น, นอะอาจจะหลายพันเท่านะเพราะว่าผู้ที่ออกจากฌานใหม่จิตกำลังพริสุทธธรรมดาก็ไม่ควรจะพ <c oughs> ริสุทธ์ท่า่บกันว่า <c oughs> อันนี้ก็เป็นอยู่ในคำภีแล้วก็พูดไปตามคำภีก็แล้วกันัอาารคุณจก็ถึงคุณอัจฉราไล่สตรูกัยครับนมัสการท่าอาจารย์นะคะมีหลายท่านที่ศิษย์ได้ยินมาว่าผู้ที่ถอดกายทำอธิษฐานกายได้แล้วนั้นอ่ะ ถ้าหากว่าเขาหากทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยอาจจะมีผลต่อชีวิตของเขาจะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่าเจ้าคะ่ะข อ, อบทช่วยชี้แนะด้วยเจ้าคะ่ะอคนที่เข้าอธิษฐานกายแล้วก็ได้ออกจากร่างกายอยากไป <c oughs> ความจริงเนี่ยการออกจากร่างกายหาบนี่ยอาทิสมานกายนั่นจะมีฤทธิ์นิดฤทธิ์ของอาทิสมานกายก็คือว่าการขยายตัวได้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เขาออกจากร่างกายหยาบไปแล้วเนี่ยมันจะมีการขยายตัวชนิดหนึ่งยังอยู่ที่อยู่ที่กายหาบ จึงเป็นอันว่าจะไปถึงไหนมันก็กลับมาได้ตลอดยกเว้นแต่ว่ า, าคนคนนั้นสลบไปหรือว่าตายถ้าเรียวกว่าสลบไปยังไม่ตายจริงหรือว่าอาจจะตายจริงเหมือนอย่างหลวงพ่อเคยตายอย่างเนี้ยแล้ว อ, อาทิสนาไกรก็พาหลวงพ่อไปที่ เก็ะแห่งนึงแล้วในขณะนั้นพระ อ, อาจารย์ก็ก็เรียกว่าให้กลับหลวงพ่อก็หอกลับเสร็จแล้วก็มาอยู่ในร่างกายต่อไปเราก็คุยขึ้นมาเป็นตัวทุกนาอีกอันนี้เรียกว่าไปหมดถ้าไปหมดเนี่ยหมายความว่าอันนี้มันเอ่อลมหายใจหยุดแล้วก็ไปหมด แต่ลมาหายใจยังไม่หยุดเนี่ยการไปของอาทิสมางรายมันจะไม่หมดการเรียกว่ามีเชื้อเหลืออยู่ตัว น, นี้เพราะนั้นคนที่ออกไปแล้วกลับไม่ได้เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีที่กลับไม่ได้นั้นก็ควรจะเรียกว่าสชีวิต เฉาะอาธิษฐานกายนั้นเป็นเรื่องของกายทิพย์ที่อยู่กับใจเมื่อทาสมาธิแล้วเนี่ยยิ่งทำสมาธิมากมีพลังจิตมากการเคลื่อนไหวต่างๆนี่นก็เป็นไปตามในสติเป็นไปตามสติเพราะฉะนั้นเหตการที่จะไปแล้วไม่กลับนี่ หมายถึงว่าคนนั้นต้องถึงเวลาสิ้ชีวิตแล้วเท่านั้ะขอพระคุณด้วย่ะเอ่อไปขอเชิญคุณอัญเชลีสุขสวัสดิ์รายงานราชการงพ่อเจ้าค่ะดีมีเรื่องการให้รูปได้นั่งสมาธิในขณะที่นั่งสมาธิเอ่อ มีความรู้สึกว่าจะเริ่มหนักตรงระหว่างต้นคอและบ่าจะเป็นอย่างนี้เือบทุกครั้งขณะที่นั่งแต่พอนั่งไปเรื่อยๆเนี่ยจิตสงบสิ่งที่ว่านี่ก็จะหายไปไม่ทราบว่าตรงนี้คืออะไรช่้าค่ะหลงพ่ อ, อสิ่งที่เรียกว่าหนักที่คอบางหนักที่ตาบางอนันนั้นคงเป็นเอนะการไม่สมดุลระหวลมหายใจแต่ว่า สิ่งนี้ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสาคัญนะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นอีกก็ได้อย่างโน้อย่างนี้บ้างก่อนแต่ที่จิตจะสมงบเราก็เรียกว่าขันธ์มารพอเวลาที่เราชนะแล้วมันก็หายไปอย่างนี้เป็นเช่นนั้นก็ถือว่าชะนะมารไปท่้งหนึ่งแล้ว ขอบพระคุณพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าค่ะอะต่อไปขอเชิญคุณอาคมจิตรเทศลาภนวัสการพระอาจารย์ครับคือข้อหนึ่งเลยครับการบริกรรมนั่งสมาธิจนจิตนิ่งเลยครับอ่านะจนจิตนิ่งแล้ววะไม่ต่อไปแต่จิตนิ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับคือหนึ่งห อ, องสามนาทีเนี่ S <S เรื่อนี้จะเป็นการเพิ่มพลังจิตได้ไหมครับข้อหนึ่งนะครับอ่าข้อหนึ่งด้วยเพิ่มพลังจิตได้จะหนึง่งแม้แต่วินาทีก็เป็นพลังจิตเท่านั้นแล้วข้อสองต่อไปข้อสองครับอติดได้ศึกษาติดตามประวัติของหลวงพ่อมาช่วงระยะเวลาพอสมควรนะครับ อ, อมีการสร้างสิ่งวัตถุมงคลนะครับ อ, อหลายอย่างของหลวงพ่อนะครับมีอยู่อย่างนึงคือเป็นตะกุดนะครับแต่ ติดอยากทราบว่าการจัดสร้างของอาจารย์นะครับและการปรัเศษขั้นตอนเป็นยังไงครับ อ, อันนี้ก็ไม่บอกเป็นความลับในการรู้จักจุด